พระธรรมตามพระใจปิดกครั้งที่89ภูเขาสินเนรูเนี่ยพ้นจากพื้นดินขึ้นฟ้าเนี่ย 84,000 ยอดยังลงไปในทะเลมหาสมุทรอีก 84,000 ยอ์รวมเป็น 168,000 ยอดตั้งมั่นมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงฉันใดจิตใจของพระผู้มีพระภาคก็มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงฉันนั้นเหมือนกันหรือเสาเขื่อน เสาเขื่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเสาประตูเมืองเรียกเสาเขื่อนหรือว่าเสาที่คล้ายกับเสาอินทรคิณซึ่งมันเป็นเสาหินแท่งทึบยาวสิบหกสอบฝังลงไปในดินแปดสอกอัดอย่างแน่นให้ดีเลยนะโผล่ขึ้นบนแปดสอบมีลมอะไรที่จะมาพัดให้เสานั้นกระเทือนมีไหมไม่มีเพราะฝังอย่างมั่นคงฉันใดใจของพระผู้มีพระภาคก็เป็นใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่เอ็งเอียง ฉะนั้นเหมือนกันสาตาคีระยักษ์ก็เลยโฆษณาสรรพคุณพระผู้มีพระภาคให้เฮมาวัาตยักษ์เนี่ยฟังทีนี้เฮมาวัาตยักษ์ก็เลยถามต่อไว้ว่าพระโคโดมเนี่ยไม่ทรงถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้หรือพระโคโดมนี่ขโมยหรือเปล่าเป็นโจรไหมเคยลักของใครหรือเปล่าอย่างนั้นน่ะก็ถามดูพระองค์นี่สำรวมในสัตว์ทั้งหลายแลหรือทรงห่างไกลาจากความประมาทแลหรือไม่ทรงละทิ้งฌานแลหรือ สาตาคิรยิยัก็ตอบว่าพระองค์ไม่ทรงถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้พระพุทธเจ้าไม่ลักทรัพย์หรอกพระองค์ไม่ขโมยหรอกอย่าว่าแต่ชาตินี้เลยแม้ในอดีตชาตินี่แหละพระองค์ก็ไม่ทรงขโมยเพราะพระองค์ไม่ลักไม่ขโมยนั่นแหละจึงทําให้พระองค์ได้มหาปุริษลักษณะทําให้เป็นผู้ที่มีรูปร่างสมส่วนและพระองค์นั้นทรงสำรวมในสัตว์ทั้งหลายพระองค์นี่ไม่ฆ่าสัตว์ตรงกันข้าม พระองค์เนี่มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีใจหวังดีกรุณาปราถนาแต่ความสุขความเจริญแก่สัตว์และพระองค์นี้ก็ทรงห่างไกลาจากความประมาทพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ปล่อยสติให้จิตใจเนี่ยไหลไปกับบาปไลไปกับอกุศลในมีพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเจริญสติเจริญมั่นคงในสติปัฏฐานเป็นต้นและพระองค์นี้ก็เป็นผู้ตรัสรู้แล้วตรัสรู้อะไรคะ อานน้อยแต่สรู้อริยสัจเนอะอริยสัจก็ได้แต่สรู้เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโพธาภะธรรมมรรมแต่สรู้เรื่องจากขูวิญญาณโสตวิญญาณฐานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายยะวิญญาณและมโนวิญญาณมโนวิญญาณมีเท่าไหร่มโนวิญญาณมีเท่าไหร่กลเอาจากขูวิญญาณโสตฐานะชิวหากายยะวิญญาณจากขูวิญญาณมีสองเดี๋ยวใครบอกว่าโอ้วิญญาณหกเนี่ยกล้วยๆใช่ไหมจากขูวิญญาณมีสองใช่ไหม โสตวิญญาณมีสอคานวิญญาณมี2ชิวหาวิญญาณมี2กายาวิญญาณมี2ที่เหลือเรียกว่ามโนวิญญาณหรือถ้าอีกสำนวนหนึ่งนะโดยวิญญาณธาตุมี7อย่างใช่ไหมจากคูวิญญาณธาตุมี2โสตวิญญาณธาตุมี2อคานวิญญาณธาตุมี2ชิวหาวิญญาณธาตุมี2กายาวิญญาณธาตุมี2มโนธาตุมีส ที่เหลือทั้งหมดเป็นมโนวิญญาณธาตุเช่นโลภะก็เป oh ็นมโนวิญญาณธาตุโทสะโมหะก็เป็นมโนวิญญาณธาตุสันติระณจิตมโนทวาราวัชนาจิตก็เป็นมโนวิญญาณธาตุมหากุศลจิตชาในจิตทั้งหมดเป็นมโนวิญญาณธาตุพระองค์นี้ก็ทรงตรัสรู้ความจริงสิ่งเหล่านี้ตรัสรู้ว่ายังไงตรัสรู้ว่าสิ่งเหล่านี้บางอย่างเป็นทุกข์บางอย่างเป็น เหตุให้เกิดทุกข์บางอย่างเป็นความดับทุกข์บางอย่างเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์พระองค์เนี่ยทรงรู้แจ้งแทงตลอดสิ่งเหล่านี้และพระองค์ไม่ทิ้งฌานพระผู้มีพระภาคไม่ทิ้งลักคนูปนิสชานไม่ทิ้งอารมมณูปนิสชานพระองค์ไม่ทิ้งจากการเข้าพระสมบัติพระองค์เนี่ยเป็นผู้ไม่ทิ้งฌานไม่ทิ้งในการเพ่งลักษณะไม่ทิ้งในการเพ่งอารมณ์ เฮมาว่าแตาย่ยะก็ยังไม่หายสงสัยก็เลยถามต่อไปว่าพระโคโดมเนี่ยไม่ตรัสคําเทศเลยหรือพระองค์นี้โกหกไหมมีพระวาจาไม่หยาบคายเลยหรือไม่ตรัคสคําส่อเสียดเลยหรือไม่ตรัสคําเพอ้อเจอ้อเลยหรือพระพุทธเจ้าเป็นยังไงว่าจีทุจริตมีไหมมีไปโกหกใครไว้หรือเปล่ามีไปพูดส่อเสียดแตกแยกให้เขาแตกแยกกันไหมไปพูดคําหยาบเสียดสีกระแทกกระแดกดันให้คนอื่นเขาเจ็บช้าน้ําใจมีไหม หรือว่าไปพูดค่อยคําเพ้อเจ้อไร้สาระหาประโยชน์ไม่ได้มีหรือเปล่าสาตาคิระยักษ์ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ตรัสคําเท็จหรอกพระองค์เนี่ยตรัสแต่คําสัตย์คําจรงิงพระองค์มีวาจามไม่หยาบคายพูดไพเราะเหมาะแก่การประสานประโยชน์พระองค์เนี่ยไม่ตรัคสคําส่อเสียดแต่เป็นคําที่หวังประโยชน์หวังเกื้อกูลอยากให้คนเนี่ยสมัครสมานสามัคคีปรองรองกันและถ้อยคําที่พระองค์ตรัสเป็นคําที่เป็นประโยชน์อย่างเดียว เพราะพระองค์เนี่ทรงกำหนดด้วยปัญญาพระองค์เนี่ยพิจารณาด้วยปัญญาก่อนพระองค์จึงแสดงออกไปถ้าหากว่าไม่พิจารณาด้วยปัญญาก่อนพระองค์ก็ไม่แสดงออกไปเพราะว่าพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นผู้ที่มีปัญญามากเฮมวัตตะยัก็เลยถามต่อไปว่าพระโคโดมไม่ทรงยินดีในกามทั้งหลายเลยหรือพระพุทธเจ้านี่มีใจมีโลภะยังติดในสีเสียงกลิ่นรสโภชณาภัพอยู่ไหม ใจของพระโคดมไม่ขุนมัวเลยหรือใจของพระโคดมมีโทสะหรือเปล่าว่างั้นพระโคดมนี่ล่วงโมหะได้หรือยังละโมหะละวิชาได้หรือยังพระโคดมทรงมีจักสุในธรรมะทั้งหลายเลยหรือพระพุทธเจ้านี่มีปัญญาจักสุรอบรู้สรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างจริงไหมสาตาเคระยักษ์ก็เลยตอบว่าพระองค์นี้ไม่ทรงยินดีในกามทั้งหลาย พ, พุทธเจ้าไม่มีโลภะแล้ว พระไทยหรือใจของพระองค์ก็ไม่ขุนมัวจิตของพระพุทธเจ้าไม่มีโทสะพระองค์นี้ล่วงโมหะละอวิชชาได้ทั้งหมดพระองค์นี้ตรัสรู้แล้วพระองค์นี่มีจักสุในธรรมทั้งปวงพระพุทธเจ้ามีจักสุนะจักสุของพุทธเจ้าเช่นหนึ่งมังสะจักสุตาของพุทธเจ้าก็มองไกลกว่าตาคนธรรมดาสองธรรมะจักสุ ที่พระจักสุเห็นรูปทั้งที่ไกลทั้งที่เป็นของใกล้ยาละเอียดพระองค์เนี่ยมีสมัญตะจักสุมีพุทธจักสุมียานะจักสุพระองค์เนี่ ย, ม, ม, ม, ธธ ม, ย, ยมีจักสุทั้งห้านั่นแหละเหมวัตยะก็เลยถามต่อไปว่าพระโคโดมเนี่ยถึงพร้อมแล้วด้วยวิชาอะไรหรือพระโคดมมีวิชาหรือเปล่าว่างั้นวิชามีกี่อย่างวิชามีสามอย่างนะหนึ่งปุเพนิวาสานุสติยานวิชาที่ และลึกชาติได้ว่าชาติก่อนโน้นมีชื่ออย่างนั้นมีโทษอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นมีรูปร่างผิวพรรณหน้าตาเป็นแบบนั้นแบบนั้นเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติยานวิชาที่สองเรียกว่าจุตูปปาตยานเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายว่าสัตว์คนนี้ประวัติทำความชั่วทางกายทําความชั่วทางวาจาคิดชั่วทางใจแล้วก็เป็นมิชัดพิธิติเตียนพระอริยเจ้า เบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาสนรกหรือว่าสัตว์ผู้นี้ประพฤติแต่กายญสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปก็เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ปัญญาที่มองเห็นการเกิดการตายเป็นไปของสัตว์อย่างนี้เรียกว่าจุตูปปาตยานแล้วก็ยานอีกอย่างหนึ่งนะเรียกว่าอาสวัคยายาน ยานเป็นที่ทำลายอาสวะคือรู้ตามความเป็นจริงว่านี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรธาขามินีปฏิปทาเมื่อมีความรู้จริงก็ทำให้แจ้งปัญญาวิมุตเจโตวิมุตอันหาอาสวะมีได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปเรียกว่าอาสวะขยายนหรือว่าวิชาอีกในหนึ่งก็คือพวกหูทิพตาทิพ อิทธิฤทธิรู้จิตคนอื่นอย่างเงี้ยหรือว่าวิชาวิปัสนาญาณพวกนี้ก็ยังอยู่ในประเภทแห่งวิชาในพระพุทธศาสนาหรืออีกในหนึ่งที่เป็นจารณะนะจารณะก็มีสิบห้าอย่างจารณะนี้เป็นเครื่องประพฤติประพฤติทำให้ไปในที่ที่ไม่เคยไปที่ไหนที่ไม่เคยไปเลยโดยที่สุดแม้แต่ความฝันเคยฝันเห็นนี่ผ่านไหมผู้ที่ประกอบด้วยจารณะสิบห้านั่นแหละสามารถทําให้ถึง ที่ที่ไม่เคยแม้แต่กระทั่งฝันไปนะฝันมาไปสวรรค์ยังเคยฝันเลยใช่ไหมมายังเคยฝันว่ามีเทวดาเพื่อนเป็นเทวดาเลยนาแล้วสงสัยคิดเอาเราั้งเออฝันนี่ยังเป็นฝันได้นะแต่ฝันว่านิพพานนี่ยังไม่เคยฝันเลยเพราะฉะนั้นบอกว่านิพพานนั้นไม่ได้รู้ได้โดยที่สุดแม้แต่ความฝันแต่จะรู้ได้ด้วยการประพฤติในเจรณะสิบภาพผู้ที่จะมีเจรณะทั้งสิบภาก็คือหนึ่งสำรวมในศีล คือประพฤติในอาจาระและมารยาทเป็นต้นอยู่ในประเภทของศีลแล้วก็สองคุ้มครองทาวารในอินทรีย์ทั้งหลายสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ไหลไปกับโลภะไม่ให้ไหลไปกับโทสะไม่ให้ไหลไปกับโมหะคือเห็นแล้วไม่โกรธอะ่ะเห็นแล้วไม่ติดอะ่ะแต่ก็ไม่โง่นะบอกเออเห็นเออไม่โลภเอเราก็อย่าไปยินดีกับมันแล้วก็เห็นแล้วไม่โกรธทำยังไงอะทำเบอเบอะเอาอันนั้นโง่แล้ว ไม่ใช่อย่างนั้นแสดงว่าเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องของรอบเสียงเกลื่อนรถโพธะธรรมารมเป็นอย่างดีโดยที่ใจไม่ไหลไปเป็นบาปเป็นอกุศลอย่างนั้นและก็เป็นโภชเนมะตันยุตรู้จักประมาณในอาหารรู้จักประมาณในการรับรู้จักประมาณในการบริโภครู้จักประมาณในการแสวงหาบริโภคอย่างไรเป็นต้นจึงทีงชื่อว่าความเหมาะสม เพื่อความเป็นไปของอัตภาพเป็นไปแห่งชีวิตเห mm hmm. ล่านี้และต่อไปก็เป็นผู้ที่ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่ประกอบความเพียรตื่นอยู่ก็คือตื่นยังไงก็คือตื่นด้วยการชำระจิตไม่ให้เป็นไปกับบาปชำระจิตไม่ให้เป็นไปกับอกุศลธรรมนี่เรียกว่าเป็นผู้ที่ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่และก็เป็นผู้มีศรัทธาเจประการศรัทธาเจประการก็คือศรัทธามีศรัทธาใน คุณของพระผู้มีพระภาคอราหารันต์ัสมมาสามพุทธเจ้าเป็นต้นหรือมีศรัทธาในกุศลธรรมมีฮิริในกุศลธรรมมีโอตตปะในกุศลธรรมมีความอายชั่วกลัวต่อบาปปะหูสูตรเป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟังสรดับตรับฟังมามากและก็ประกอบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมอัลลามกมีสติมีสติก็คือระลึกได้ถึงสิ่งที่เคยทําไว้นานแลว้ว แม้แต่คําที่เคยพูดไม่นานแล้วสติก็คือการไม่หลงลืมไม่ประมาทในกิจน้อยกิจใหญ่อะไรควรประพฤติอะไรไม่ควรประพฤติสติเนี่ยทาให้ไม่ประมาทว่าโอ้นี้เป็นอกุศลนี้เป็นกุศลแล้วก็มีปัญญามีฌานทั้ง4อย่างนี้เขาเรียกว่าจารณะสิบห้าเป็นความประพฤติเป็นการเที่ยวไปในที่ที่ไม่เคยไปอันผู้ที่ได้ธรรมะเหล่านี้ก็สามารถที่จะดับภพบแล้วก็ถึงพันนิพานได้ ถ้าผู้มีพระภาคนั้นอ่ะพระองค์ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเหล่านี้ที่เราสวดอิติปิโสปะควาอระหังสัมมาสัมพุทโธ ว, วิชาเจรณะสามปโนวิวชาจรณะสามปโนันี่แหละคือวิชาสามวิชาแปดหรือเจรณะสิบห้าซึ่งมีเพียบพร้อมมีสมบูรณ์อยู่ในคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราทําไม่ได้ไม่เป็นไรนะขอให้เราได้เคารพคนที่มีคุณขนาดนี้ก็เอาแล้ะ ปูชาจะปูชนียานางเอตัมมังคารมุตตมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชานี้ก็เป็นอุดมมงคลนะเป็นเหตุให้ถึงความเจริญต่อไปอาสะวะทั้งหลายของพระองค์เนี่ยหมดสิ้นแล้วกามาสะวะภาวาสะวะทิฏฐาสะวะอวิชชาสะวะอาสะวะแปลว่าเครื่องดองในสันดานเครื่องดองในใจอะเครื่องดองในใจคือกามาสะวะ เครื่องดองในใจคือโลภะทิฏฐาสาวะเครื่องดองในใจคือทิฐิภวาสาวะเครื่องดองในใจคือพบหรือองค์ธรรมก็ได้แก่โลภะวิประยุติหรืออวิชชาสาวะเครื่องดองหมักมบ ม, มอยู่ในจิตใจคืออวิชชาคําว่าอาวิชชาที่เรียกว่าอาสาวะเนี่ยอาสาวะบางอย่างเนี่ยแปลว่าไหลไหลเนี่ยโดยพบไหลไปจนถึงภาวะกระพมอุ้ยไหลไปถึงเนวะสัญญาณาสัญญาญตนะ เพราะในเนวสัญญาณาสัญญายตนาภพนั้นก็ยังมีกามาสะวะยังมีทิฏฐาสะวะมีภวาสะวะและมีอวิชชาสะวะอยู่โดยธรรมเนี่ยไหลไปจนถึงโคตรภูญานออะสวะเนี่ยไหลไปสูงมากพระองค์เนี่ยภพใหม่ไม่มีแล้วคีนาชาติชาติาตสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจของพระองค์ที่ควรทําไม่มีอีกแล้วเฮมมวัาตายักก็เลยถามว่า พระไทยของพระโคโดมผู้เป็นมุนีถึงพร้อมแล้วด้วยกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมมาเราทั้งสองเข้าไปเฝ้าพระโคโดมผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะกันเถิดอูดีอ ย, ย่างนี้ปไปไปชวนกันเลยชวนกันไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากันใหญ่เลยเฮมะวัตรยักก็เลยชมเชยพระผู้มีพระภาคว่ามาเถิดเราไปเฝ้าพระโคโดมผู้มีพระชนเพียงปลีแข่งเนื้อสายผู้สู้พร้อมเป็นนักปราช มีพระกยอาหารน้อยไม่โลภเป็นมุนีทรงฌานอยู่ในป่าเราเข้าไปเฝ้าพระโคดมผู้เป็นดุดราสชสีเสด็จเที่ยวไปพระองค์เดียวไม่เสด็จมาสู่พบใหม่ไม่มีความห่วงใยในกามทั้งหลายแล้วจงทูล ถ, ถามถึงธรรมะเครื่องพ้นจากบ่วงมานไปเจอท่านแล้วเราก็จะได้ถามถามธรรมะกับท่านเราทั้งหลายก็จะได้พ้นจากกองทุกเราจงทูลถามพระโคดมผู้ตรัส บ, บอกผู้ทรงแสดง ผู้ทรงถึงฝั่งแห่งธรรมะทั้งปวงผู้ตต่สรู้แล้วผู้ล่วงเวรไภยทั้งปวงได้แล้วไปถามท่านว่าท่านเนี่ยถึงฝั่งพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ถึงฝั่งฝั่งมีกี่อย่างทั้งหมดฝั่งทั้งหมดมีอยู่หกอย่างด้วยกันฝั่งนี้บาลีใช้คำว่าปารคู เ, เรียกว่าอภินญาปารคูหนึ่งปริญญาปารคูสอง ป, าา ป, า 2, ปหานะปารคูสามภาวนาปารคูสี่ สัชกิรยาประคูห้าแล้วก็สมาบัตประคูหกประคูนี้แปลว่าถึงฝั่งถึงฝั่งแห่งอภิญญาประคูว่าธรรมะเหล่านี้ทั้งหมดควรรู้ยิ่งอภิญญานี่แปลว่าการรู้ยิ่งว่าโอ้ธรรมะเหล่านี้ควรรู้ยิ่งปริญญาประคูเนี่ยโอ้ธรรมะเหล่านี้ควรรอบรู้ด้วยปริญญาอะไรควรรอบรู้ด้วยปริญญาก็คืออุปาทานขันห้าเป็นธรรมะที่ควรรอบรู้ด้วยปริญญา แล้วก็ปหานะปรารคูการถึงฝั่งด้วยการละสละกิเลสการละการสละกิเลส ท, ที่จะถึงฝั่งได้ก็ละกิเลส ท, ทั้งหมดเรียกว่าปหาณะปรารคูสละบาปสละอกุศลสละกิเลสออกไปหมดแล้วก็ต่อไปเรียกว่าภาวนาปรารคูภาวนาปรารคูนี้ก็คืออะไรที่ควรเจริญควรทําให้มากควรพ่อคูนก็คือมักมักนี้เป็นภาวนาทําให้ถึงฝั่งนะี่ยมักเรียกว่าภาวนาปรารคู แล้วก็สัจฉิกิริยาปรารคูเรียกว่าสิ่งที่ควรทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งนั้นก็คือนิโรธนั่นเองนิโรธหรือพระนิพพานอ่ะควรทําให้แจ้งโดยความเป็นอารมณปัจจัยแล้วก็สมาบัติปรารคูการเข้าสมาบัติตั้งแต่ปฐมฌานทุทนตทิยะฌานตติยะฌานจนถึงอะโรปฌานชานั้นเนวะสัญญาแม้กระทั่งภะละสมาบัตทั้งหมดเรียกว่าสมาบัตปรารคูว่างัน้น ในความโง่ความไม่รู้ออกไปหมดแล้วทรงเล่องเวรภัยทั้งปวงได้แล้วซึ่งพระองค์กล่าวว่าเมื่อพวกมนุษย์มีเวรอยู่เราเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นอยู่สบายดีหนอพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีเวรไม่มีภัยแล้วใครจะทะเลาะ ก, กันทะเลาะไปเถอะพระองค์ไม่ทะเลาะด้วยอะ่ะทะเลาะ ก, กันทะเลาะไปสิเราไม่ทะเลาะด้วยอะ่ะเฮมาปตยักษก็เลยทูลถามพระพุทธเจ้าคือทั้งหมดเลยเนี่ยเพื่ออยากให้รู้ว่า เฮมวัตรยักษเนี่ยเข้าไปถามปัญหาว่าเมื่ออะไรเกิดขึ้นโลกจึงเกิดขึ้นอะไรเกิดโลกจึงเกิดโลกย่อมกระทําความเฉยชิดในอะไรโลกยึดถืออะไรเมื่ออะไรมีโลกจึงเดือดร้อนคําถามเฮมวัตรยักษ์โอ้มาถามเราไม่ได้ศึกษานี่ตอบไม่ได้ทักอย่างเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าตอบว่าดูก่อนเฮมวัตะ เมื่ออายตนะภายในและอายตนะภายนอกเกิดขึ้นโลกจึงชื่อว่าเกิดขึ้นคำว่าโลกในที่นี้มีสองอย่างคือสังขารโลกและสัตวโลกเพราะฉะนั้นอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือสีตากับสีนี้ก็เป็นโลกเรียกว่าสังขารโลกเพราะโลกสองอย่างนี่แหละประชุมเรียกว่าสัตวโลกว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นต้น มีหูหูก็เป็นอายตนาภายในกับเสียงเป็นอายตนาภายนอกจึงเรียกว่าโลกโลกจึงเกิดขึ้นเรียกว่าสังขารโลกและสัตวะโลกพอเสียงบกโอ้มีเสียงหญิงเสียงชายเป็นต้นเรียกว่าสัตวะโลกมีจมูกกับกลิ่นก็เลยเกิดโลกขึ้นสังขารโลกกับสัตวะโลกมีลิ้นกับรสจึงเรียกว่าโลกมีกายกับโพธาภะจึงเรียกว่าโลกมีใจกับธรรมารมก็เลยเรียกว่าโลก โลกอะไรสัตวโลกกับสังขารโลกอันนี้เป็นโลกนะก็คิดดูนะหญิงชายจะมีหรือเปล่าตาบอดหูไม่ได้ยินเสียงนี้ไหมความเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเรื่องเป็นราไม่มีสักอย่างหรอกแต่ก็อาศัยตากับสีตากับสีหูกับเสียงจะ ม, มูกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโพธะพระใจกับธรรมมารมเรื่องราวต่างๆก็เลยบัญญัติว่านี้คือโลก เรียกว่าสัตว์โลกใช่ไหมสัตวะโลกที่เรียกว่ามนุษย์เราเทวดาพวกนี้ก็อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะและธรรมารมณ์นั่นแหละพระองค์ก็เลยบอกว่าเมื่ออายตนะภายในและอายตนะภายนอกหเกิดขึ้นโลกจึงเกิดขึ้นโลกย่อมกระทําความเชยชิดในอายตนะภายในและอายตนะภายนอกหกเชยชิดนี้เป็นชื่อของเชยชิดด้วยอํานาจของตันหาและ ทิฐิเฉยชิดในตาเชยชิดในสีด้วยอำนาจของโลภะและทิฐิเชยชิดในหูในเสียงด้วยอำนาจของโลภะและทิฐิเชยชิดในจมูกในกลิ่นด้วยอำนาจของโลภะและทิฐิเชยชิดในลิ้นกับรสด้วยอำนาจของโลภะและทิฐิเชยชิดในกายกับปุถะภะด้วยอำนาจของโลภะและทิฐิเชยชิดในจิตใจหรือเรื่องราวต่างๆด้วยอำนาจโลภะและทิฐิ โลกเนี่ยยึดถืออายตนะภายในและภายนอก6นั่นแหละอุปาทานมันยึดถือในสิ่งเหล่านี้แหละเมื่ออายตนะภายในและภายนอกหมีโลกจึงเดือดร้อนโลกที่มันเดือดร้อนเบียดเบียนเจ็บปวดต่างๆเหล่านี้ก็มาจากตานั่นแหละทุกทั้งหมดก็มาจากทางตามาจากทางหูทางจมกูกทางลิน้นทางกายทางใจนั่นแหละโลกจึงเดือดร้อนจะไม่มีมือก็ต้องถือต้องวาง พอมีโลกคือมือนั่นแหละอ้ยหิวอยู่นั่นแหละมวนไม่เสร็จสักทีหนึงอ่ะเนาะมีเท้านั่นแหละจึงมีการเดินมาเดินไปไม่หยุดไม่ยอนสักทีหนึงอ่ะนะเนาะพอมีขข้อนั่นแหละจึงคู่เข้าเหยียดออกเพราะมีท้องนั่นแหละจึงหิวมีกระหายมีปากนั่นแหละจึงเคี้ยวอ่ะก็เดี๋ยวก็เคี้ยวละใกล้เวายยลาละมีท้องอะไรเลยหิวเลยเพราะมีตานั่นแหละจึงทําให้เกิดสุขทุกภายในเพราะจักขู่สัมผัสเป็นปัใจจัยใช่ไหม มีความรู้สึกสุขทุกข์ก็มาจากตากับสีเกินจากขูวิญญาณความประชุมธรรมะสามอย่างเรียกภาษาเพราะภาษาเป็นปัจจัยทําให้เกิดสุขทุกข์ต่างๆดังั้นสุขทุกข์เหล่านี้ก็มาจากตามาจากสีนั่นแหละ <Panther. S 1> เขาเรียกมาจากภาษาใช่ไหมความสุขทุกข์ทางส่วนหนึ่งก็มาจากทางหูสุขทุกข์บางอย่างก็มาจากทางจมูกสุขทุกข์บางอย่างก็มาจากทางลิ้นสุขทุกข์บางอย่างก็จากทางกายสุขทุกข์บางอย่างก็มาจากทางใจ แล้วขณะนี้เราสุขทุกมาจากทางไหนมาเอาหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นอายตนะเนี่ยเป็นเครื่องรองรับของสังขารโลกถูกเบียดเบีย น, ยนเดือดร้อนเมื่อมีจักรสุขคนก็ย่อมเดือดร้อนในรูปที่พอใจและไม่พอใจเพราะมีตาเนั่นแหละจึงทุกข์ร้อนกับการเห็นมีหูนั่ยแหละจึงทุกข์ร้อนกับเสียงมีจมูกนั่ยแหละจึงทุกข์ร้อนกับกลิ่นมีลิ้นนั่ยแหละโอ้อาหารอร่อยไม่อร่อยแซบบาแซบก็ยุ่งกันตรงนั้นแล้วเพราะมี ลิ้นนั่นแหละพระองค์ก็ตรัสว่าโลกเนี่ยเดือดร้อนเพราะอายตนะเป็นเหตุใช่ไหมเพราะอายตนะเป็นเหตุเนี่ยมันร้อนยังไงตัวอายตนะก็เป็นของร้อนตานี่ร้อนไหยร้อนร้อนเพราะไฟคือราคะโทสะโมหะร้อนเพราะไฟคือชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนาอุปาญาตแล้วก็ที่ร้อนอีกในหนึ่งก็คือ ไฟคือชีระเตโชนี่ก็เผาอยู่ตลอดเวลาเพราะอย่างนั้นมันก็ต้องซุดโสมอยู่และลืมแก่แต่แก่ก็ไม่ลืมเราเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเดือดร้อนบอกว่าเนมวาตาก็เลยถามต่อไปว่าอุปาทานที่เป็นเหตุให้โลกเดือดร้อนเนี่ยเป็นฉนะัยข้าพระ อ, องค์ทูลถามแล้วขอพระ อ, องค์ตรัส บ, บอกซึ่งธรรมชาติเป็นเครื่องออกจากโลกบุคคลพ้นจากทุกเหล่านั้นได้อย่างไร เมื่อรู้จักโลกอย่างนี้แล้วอยากจะพ้นน่ะทาไงอ่ะพระองค์ตรัสว่ากามมาคุณห้าในโลกมีใจเป็นที่หกเราประกาศแล้วกามาคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสโภธพาก็มาจากทางตาหูจมูกลิ้นกาจใจมีใจเป็นที่หกใจรู้อะไรสิ่งนั้นเรียกว่าธรรมารมแล้วต่อไปว่าบุคคลคลายความกำหนัดพอใจในกามคุณห้านี้ได้แล้วย่อมพ้นจาก ทุกได้ถ้าหากว่าผู้ใดที่คลายกำหนัดคืออริยะสาวกกําหนดรอบรู้ในทุกข์ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญมรรคก็สามารถที่จะคลายความกําหนัดในกามคุณห้าคลายความพอใจอาการละกามคุณห้านั่นแหละผู้ที่ละได้อย่างนี้ก็พ้นจากทุกข์ด้วยอาการอย่างนี้เราบอกซึ่งธรรมชาติเป็นเครื่องออกจากโลกนี้ตามความเป็นจริงแก่ท่านทั้งหลายแล้วตรงนี้คืออริยสัจนะ การมคุณหเป็นชื่อของทุกขสัตว์ตันหาเป็นชื่อของสมุทัยสัตว์การละคลายความพอใจเป็นมัคสัต์เครื่องนําออกเนี่ยคือมัคสัตว์ถ้าแม้ท่านทั้งหลายเพิ่งถามเราพันครั้งเราก็จะบอกข้อนี้แก่ท่านทั้งหลายถามหนึ่งพันก็ตอบอย่างนี้แหละก็ตอบอริยสัตว์นั่นแหละมันก็ไม่มีอะไรจะพ้นอริยสัตว์ถ้าปรารถนาพ้นจากกองทุกขเขมวะตาก็เลยถามว่าในโลกนี้ใครเล่าข้ามโอคะ คือห่วงน้ำสี่อย่างได้ในโลกนี้ใครเล่าข้ามอันนบได้อันนบก็คือสังสารวัตรได้ใครย่อมไม่จมลงในอันนบที่ลึกซึ้งไม่มีที่พึ่งไม่มีที่ยึดเหนี่ยวองก็ตรัสตอบว่าพูดถึงพร้อมแล้วด้วยศีลมีปัญญามีใจตั้งมั่นดีแล้วหมายรู้ในภายในมีสติทุกเมื่อย่อมข้ามพ้นจากโอคาที่ข้ามได้แสนยาก ก็คือผู้ที่มีศีลสมาธิมีปัญญามีสติไม่ประมาทอย่างนี้แหละคนนั้นแหละจึงจะข้ามออหะได้ผู้เว้นจากการมสัสญยาล่วงสังโยชน์ทั้งปวงได้มีความเพลิดเพลินและพบหมดสิ้นแล้วย่อมไม่จมลงในอนันนบคือสังสารวัตรอันลึกตรงนี้ก็เป็นพระารหันนั่นแหละจึงจะข้ามพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้ทีนี้เห็นมาวัาตายะ ก, ก็เลยกล่าวต่อไปว่า เชิญท่านทั้งหลายดูพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้มีพระปัญญาลึกซึ้งผู้ทรงละเอียดเนื้อความละเอียดผู้ทรงแสดงเนื้อความละเอียดไม่มีความกังวลไม่ขล่องแล้วในกามมพบพ้นวิเศษแล้วในอารมณ์ทั้งปวงเพราะทรงดำเนินไปในทางอันเป็นทิพย์ทรงสแสวงหาคุณอันใหญ่เชิญท่านทั้งหลายดูพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระนามไม่สาม พระองค์ทรงแสดงเนื้อความทรงให้ปัญญาไม่คล้องแล้วในอะไรคือไม่มีอะไรในกามทรงรู้ธรรมะทั้งปวงมีพระปัญญาดีทรงดำเนินไปในทางอันเป็นอริยะทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่วันนี้เราทั้งหลายเห็นดีแล้วหนอสว่างสวัยแล้วตั้งขึ้นแล้วเพราะเราทั้งหลายได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ข้ามโอคะได้แล้วหาอาสวะไม่ได้ วันนี้เราได้ดีแล้วพ่อมาเห็นพระอาหารหันต์ก็คือยักษ์ทั้งสองคนเนี่ยหลังจากฟังสูตรนี้ปุ๊บวัวหน้ายักษ์กับบริวารหนึ่งพันเป็นพระโสดาบันหมดเกลี้ยงเลยเหลือแต่เราอะ่ะยักษ์พันทั้งหมดเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่มีฤทธิ์มียศย่อมถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นสารณะด้วยคำว่าพระองค์เป็นาศาสดาผู้ยอดเยี่ยมของข้าพระองค์ทั้งหลาย ขามาขามังนักฆ่านักขังนมัสสมานาซั่มพุทธังธรรมสัสสะจะสุธรรมะตังข้าพระ อ, องค์ทั้งหลายจากขอนอบน้อมซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและความที่พระธรรมเป็นธรรมดีเที่ยวจากบ้านสู่บ้านจากภูเขาสู่ภูเขาเพื่อนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนมัสการพระธรรมเพื่อนมัสการพระสง ยักษ์เหล่านี้ก็ถึงสารณะแล้วก็เป็นพระโสดาบันเรียบร้อยเราก็อนุโมทนาที่ท่านได้ดิบได้ดีกันนะเนาะทัานของเราก็ขอศึกษาขอปฏิบัติตามท่านนั่นแหละ ว, วันนี้ยังไม่บรรลุก็ไม่เป็นไรขอให้ได้มีโอกาสศึกษาได้ฟังได้เรียนรู้เพื่อเป็นอุปนิสัยเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาบารมีต่อไปของเราเพื่อที่จะได้รู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมของพระผู้มีพระภาคชาติที่แล้วบวชเป็นพระอยู่สองหมื่นปีทรงพระไตวิดก ลูกศิษย์อีกอง์ละห้าร้อยอ่ะคิดดูว่าจะ ค, คือเขาสามารถตรวจสอบได้เลยว่าใครเป็นไม่เป็นพระพุทธเจ้าจะไม่งมงานเนี่ยแค่ฟังดูนะลักษณะการสอบถามใช่มเห็นไหมวัาตายักษถามสาตาคิรยักษเนี่ยถามลักษณะถามพอจบคําถามรู้เลยเลยว่าคนนี้เป็นพระพุทธเจ้าพอไปถึงเนี่ยก็ถามปัญหาถ้าถามปัญหาว่าเพราะอะไรเกิดโลกจึงเกิด ลักษณะว่าถามถึงเรื่องของโลกถามถึงเรื่องของชีวิตเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตจริงๆคนนั้นจะต้องเข้าใจเรื่องของอายตนะภายในและอายตนะภายนอกอายตนะเป็นวิปัสนาภูมิไหมเป็นวิปัสนาภูมิเรียกว่าอายตนะเราลืมตามีวิปัสนาภูมิไหมมีโอ้สาธุแสดงว่าใกล้กลวิปัสนาแล้วล่ะถ้าหากว่าพิจารณานะ การที่พระวินัยทรนะไม่วินิจัยสิ่งทุกข์ผิดนันะโอแทนที่จะเกิดเป็นเทวดากลับตกประเกิดเป็นเป็นยักษ์ย่างไงตรงนี้เนี่ยท่านเสียใจอ่นะครับผมคือเรื่องที่ท่านน่าจะวินิจัยเพื่อที่จะยกพระศาสนาแต่ท่านกลับปล่อยละเลยซึ่งมันเป็นหน้าที่ของท่านใช่ไหมครับผมท่านมีภาระมีหน้าที่ที่จะต้อง